วันนี้จะเทศธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นหัวใจของาศาสนาคำสอนทั้งหมดรวมลงที่นี่ คำสนทั้งหมดปรรงที่นี่สภพาวปาปะสะกระนังไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจก็ตามไม่ทำบาปทางกายก็ไม่ทำฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติมิจฉาจาร ไม่ทำทางวาจาไม่โกหกหลอกลวงต้มตุนต่างๆด่าว่าต่างๆก็ไม่ทำคิดโลภอยากได้ของเขาคิดพยาบาทปอง้ล่เขาคิดเห็นผิดจากทํานองคองทำก็ไม่ทำ เกาสปาปชะการังการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้ากุศล ส, สู่ประสัมพันดาการทำกุศลให้ถึงพร้อมหรือทำความดีให้ถึงพร้อมให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเรา นี่แหละสะกิตตะปริโยธปานังเอตังพุทธานาสาสนันติการทำกิจให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ทำชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมไม่ทำกิจ ทำกิจให้ผ่องใสทำกิจให้ผ่องใสนี่คือคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดรวมลงเท่านี้แหละงดจากการทำชั่วทั้งหมดทำความดีให้ถึงร้อมทำกิจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็อยู่ที่ตัวของพวกเราเองในคำสอนเหล่านี้ ไม่ทําบาปก็ตัวของเราเองเป็นผู้ไม่ทําบาปทำกิจให้เป็นกุศลขึ้นมากับตัวเราเป็นผู้ทําการชำระกิจให้บริสุทธิ์ก็เป็นตัวเราและเป็นคนทาอีกเหมือนกันซึ่งในขณะนี้เราก็ทําทั้งสองอย่างสามอย่างมาแล้วการทำกิจให้พองใสเนี่ย ก็คือการฝึกหัดจิตให้มีสมาธินั่นเองเมื่อจิตเรามีสมาธิแล้วไปพิจารณาปัญญามันก็เกิดพิจารณากายเนี่ยหรือพิจารณาอะไรต่างๆทุกอย่างละอาการ3ามสองของเราเนี่พิจารณาลงไปจิตมันก็บริสุทธิ์ขึ้นมา บริสุทธิ์จากความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทต่างๆนี่แหละเพราะฉะนั้นที่เราทำนี่ทำถูกทางแล้วทำดีแล้วเหมาะแล้วควรแล้วคือว่าเราทำดี ทำกิจให้ผ่องใสก็หัดสมาธินี่แหละหัดให้มันอยู่กับอารมณ์อันเดียวมห้มันฟุงส่านแมห้มันส่งไปทางนั้นทางนี้ให้มีความรู้สึกเป็นหนึ่งอยู่ตลอด ให้เห็นจิตของตนเองเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเดี๋ยวเราตามมันทันมันก็เหมือนม้าเนะ่ไม่มีบางเหียนมันอยากไปที่ไหนมันก็ไปของมันเองถ้าลองใส่บางเหีน้นดูสิมันจะไปไหนเราไม่ให้ไปมันก็ทำได้ จิตของเราก็เหมือนกันถ้ามันไม่มีสมาธิเราคิดฟุ้งซ่านนั่นดีสารพัดอย่างสิ่งเี้นๆมันก็คิดไปได้นึกไปได้ส่งไปได้เราต้องหัดให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ให้เรารู้รู้ว่าลมเข้า รมหายใจออกก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกเราทำอยู่เพียงเท่านี้แหละจะกี่ปีกี่เดือนก็ช่างทำเวลาไหนก็ช่างเข้าสู่ความสงบทันทีกำหนดลมปับ๊บใจมันต้องสงบ ไม่คิดฟุง้งซ่านไปทางอื่นมันก็มีความแน่วแน่ลงไปในใจเดินอยู่เราก็ให้รู้อยู่นอนอยู่ก็ให้รู้อยู่นั่งอยู่ก็ให้รู้ให้รู้อะไรรู้ลมนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบททั้งสี่ ให้เรารู้อยู่ตลอดรู้อะไรรู้ลมนั่นแหละรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกยิ่งเรามาสนใจมันมันยิ่งละเอียดเข้าไปสงบเข้าไปแน่วแน่เป็นหนึ่งเข้าไปเราก็คอยแก้ไขในส่วนที่มันไม่เรียบร้อย ก็คอยดูคอยรู้คอยเห็นมันอยู่ยงั้นแหละเวลาความโรคเกิดขึ้นเราก็รู้ทันรู้ว่า น, นี่เกิดขึ้นความโรคเกิดขึ้นแล้วหนาเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ทันอีกเหมือนกันเพราะอะไรจึงทันเพราะสติสมาธิของเราแน่วแน่มั่นคง เราก็รู้เท่ารู้ทั น, นเราต้องฝึกฝึกเป็นประจำฝึอกอยู่ตลอดเวลาฝึอกอยู่เรื่อยๆนี่ว่าทำไม่หยุดใครจะว่าอะไรจะพูดอะไรจะส่งอะไรยังไง วิธีปฏิบัติไหนๆก็ดีเท่านั้นแหละแต่ให้เอาลมหายใจเอาลมหายใจเป็นหลักเราจะเห็นความสงบลึกละเอียดลึกมากละเอียดมากเหมือนไม่มีลมแต่นั้นอย่าไปตกใจให้คอยรู้อยู่อย่างนั้นะ ให้คอยดูอยู่กันแหละมันไม่มีลมก็พิจณาอันที่ไม่มีลมนั่นแหละไว้ใจเหนแนวแน่อยู่กันนะกิดแล้วก็วางน่ะวางลงไปเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านส่งสายไปตามอารมณ์ต่างๆทั้งที่ดีและไม่ดีไม่ส่งตามทั้งนั้น เราคอยเฝ้าดูให้เห็นให้ชัดเราทำอะไรอยู่ก็ถ้าสามารถกำหนดรู้ได้ก็ลองกำหนดดูถ้ากำหนดไม่ได้เพราะมันไม่พร้อมก็รอไว้ไม่เป็นไรแต่คอยมีสติสังเกตสังเกตจิตของเราเนี่ยเวลาจิตของเรามัน วางลงไปรวมลงไปเนี่ยมันเป็นยังไงข่าวหลังเราทำอีกก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหะให้มันวางลงไปงั้นแ่ละทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าหลายครั้งหลายคนเข้าจิตของเราก็จะใสบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็ผ่องใสพิจนาอะไรก็แจ้งชัดหมดเลย พิการาส่วนไหนอะไรต่างๆมันแจ้งชัดขึ้นมาในใจของเรานี่แหละเป็นอย่างนี้แหละหาใจมันผ่องใสแล้วมันก็สบายใจผ่องใสแล้วไปไหนกิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกัางขา กิจผ่องใสแล้วไปสู่สุขคติคำว่าสุขคติคือคติที่ดีตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่แหละถึงเทวบุตรเทวลาอินพรมเรียกว่าสุขคติตลอดรวมถึงพระนิพพานนะสุขคติเหมือนกัน ใจเราไม่เศร้าหมองใจเราพ่องใสเราไปสู่สุขคติคติที่ดีนี่ใครเป็นคนทำให้เราพ่องใสล่ะก็เรานี่เองเป็นผู้ทำให้เราพ่องใสให้จิตของเราพ่องใส โดยการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากิจผองไซเป็นอย่างนี้ไปสู่สุขคติไม่ใช่ตายแล้วถึงไปนะหมายความเป็นมนุษย์อยู่ก็มีความสุขรู้จักอะไรผิดถูกชั่วดีควรไม่ควรรู้หมดอันนี้เพราะฉะนั้น เราจรึงจำเป็นโดยเฉพาะผู้ช่วยงานทมผู้ช่วยงานธรรมปฏิบัติต้องให้เป็นตัวอย่างในด้านละความชั่วสร้างความดีทำกิจให้ผ่องใส เราต้องเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยผู้ช่วยงานทำต้องเป็นคนเก่งเป็นตัวอย่างเป็นแบบสบับของคนอื่นได้สามารถให้คนอื่นเอาเป็นตัวอย่างได้นี่แหละมันสำคัญอยู่ตรงนี้ จิตเราผ่องใสแล้วเราก็อยากให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราได้เป็นอย่างที่เราได้รับรู้ถึงแม้เขาจะถามปัญหาอะไรต่างๆเราก็สามารถตอบได้ตอบเขาได้ในด้านการปฏิบัติเนี่ยเราไม่เอาอะไรมากหรอกเอาสติอยู่กับลมเท่านั้นเนี่ย ความสงบก็จะต้องเกิดขึด้นแรกๆ ใ, ใหม่เราเห็นวน่าเรามาฝึกใหม่ๆจิตใจเราฟุา้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องนี้ยังไม่เสร็จมันคิดเรื่องใหม่แล้วเรื่องใหม่ยังไม่เสร็จมันคิดเรื่องใหม่ไปอีกแล้วเราต้องเอาเราเหีมันแน่นอนลงไปคอยเฝ้าดูอยู่เรื่อยๆ เฝ้าดูอะไรเฝ้าดูลมหายใจของเราเนี่แหละให้มันชํานาญที่สุดเท่าที่จะชํานาญได้ให้มันคล่องที่สุดให้มันสามารถรวมจิตได้ในทันทีทันใดเมื่ออารมณ์มากระทบใจเราปั๊บก็ให้คอยรู้ทันทีว่าอ๋ออันนี้จะเกิดแก่เราแล้ว ผิดถูกชัว่วดีเรารู้ทันทีาวางพับจับที่ลมวางพับเลยพอวางได้พับเท่านั้นแหละมันเป็นความชำนาญอะไรแบนีนน้อารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองก็ตาม ก็จะรู้ทันอ่ออันนี้เกิดขึ้นแล้วจะพุ่งพุ่งความรู้สึกไปที่เขาตรอมาที่ตัวเราอ๋อกิเลสอันนี้มันเกิดขึ้นเราไม่รับเราไม่เอาเราทิ้งเราวางเราปล่อยเราไม่ยึดมัน่นถือมัน่น เสียงชมก็ดีเสียงติก็ดีเราก็มายึดมั่นถือมั่นนี่แหละหูของเราได้ยินได้ยินเขาหูทำไมมีสองข้างมีข้างซ้าย ข, าข้างขวา เพราะมันมีทั้งความดีและความชั่วเนี่ยเสียงดีและเสียงชั่วเสียงติสินิ น, นทาเสียงสะลรเสรื่อนยกย่องยกย่องสารเสรื่อนเราฟังไว้ทั้งเสียงติเสียงชมเสียงนินทาสันเสื่อมันเข้ามาหูของเราเนี่แหละ สมมุติให้มันข้างขวาเนี่เป็นเสียงชมซะข้างซ้ายเป็นเสียงติมันมีให้ครบแล้วพอเราได้ฟังก็มีสองอย่างท่านเสียงชมกับเสียงติเราไม่เอาทั้งสองอย่างเสียงติก็ไม่เอาเสียงชมก็ไม่เอา เราทำใจให้เป็นกลางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดตาเห็นรูปก็เหมือนกันรูปดีกับรูปไม่ดีรูปสวยกับรูปไม่สวยท่นัตาเห็นรูปก็ไม่ให้ยึดเอาทั้งดีเลยชั่วทั้งสวยและไม่สวย ให้ละความยึดมั่นถือมัน่นตาเห็นอะมันยึดถือพอยึดถือมันเป็นไงพอยึดถือก็เป็นทกุกข์ละสิเป็นทุกข์แล้วมันดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ดีเราไม่ยึดไม่ถือไม่สําคัญมั่นหมาย ในตาของเราที่เห็นมานี่รูปวสักว่ารูปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปไม่มีอะไรเป็นของกี่หลังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้ไม่ว่าชนิดไหนไม่ว่ารูปชนิดไห น, นรูปขนรูปสัตว์รูปบ้านเรือนสถานที่ต่างๆทุกอย่างน่ย นนตายเห็นแล้วไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นทั้งดีเลยชั่วนั่นแหละไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นให้วางเสียคนธรรมดาที่ไม่ฝึกหัดไม่เป็นงั้นนี่วางไม่ได้ เห็นแล้วมันต้องโกรธต้องรักต้องชอบต้องหลงนะเข้าไปติดอยู่ตรงนั้นแหละติดอยู่ตรงโกรธตรงโลภตรงหลงนั่นแหละราคาตัญหามา n a ทิ t t ิอุปทานความยึดมั่นถือมั่นหลงเข้าไปติดบ่วงแห่งพยามารแล้ว เราก็คอยดูคอยดูอารมณ์ของเราว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าจะวางมันวางได้สันทีไม่ใช่งั้นนะมันต้องคอยดูความรู้สึกของเราว่ขาขณะนี้เราก็มีความรู้สึกยังไงดีหรือไม่ดีดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาอะจะเอาอะไรมาเอาพระนิพพานนั่นนะคือทำใจให้เป็นกลาง วางมดทุกสิ่งทุกอย่างตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นกินมันก็มีกลิ่นเหม็นก็มีกลิ่นหอมก็มีเราไปหลงกลิ่นหอมมันก็ผิดอีกเราไปเบียดกลิ่นเหม็นก็ไม่ถูกอีกให้ทำยังไงให้ปล่อยว่าง ไม่ให้ยึดไม่ให้ถือไม่ให้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราพูดง่ายไม่มีตัวตนในกลิ่นเหล่านั้นเลยไม่ว่าหอมหรือเหม็นให้วางใจวางแค่เป็นกลางทิ้งอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดไม่ยึดไม่ สำคัญมั่นหมายอะไรเราสักว่าเราเห็นเป็นสักว่าอันนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้รู้ทันมันซึบปึ๊บมันเกิดขึ้นหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปจมูกดมกลิ่นลิ้นดิ้มรดกายถูกต้องสัมผัส เราเห็นมันก็ชอบก็บไม่ชอบสองอย่างท่านแหละเราก็วางอีกวางมุทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่รู้อย่างเดียวรู้แล้วก็รู้แล้วยังต้องวางอีกด้วยวางความยึดความถือนะวางอีก ถ้ายังมีตัวมีตนอยู่กว็าวางไม่ได้ต้องไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเลยถ้ายังมีตนอยู่ยังไม่พ้นทุกยังจะต้องทุกข์อีกอยู่ยังจะต้องเกิดอีก ยังจะต้องแก่อีกยังจะต้องตายอีกมันไม่หมดความทุกขนะ์เลถ้าเรายังยึดยังถืออยู่ยังสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวมีตนอยู่จิตเรายังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิยังไม่เป็นหมักสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ เห็นชอบเห็นอะไรเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความเก็บเห็นความตายเห็นความโศกเศร้าเสียใจพี่หลายลำพันตีอกชกตัวร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์เดือดร้อนอันมันยังติดอยู่มันยังหลงอยู่มันยังมัวเมาอยู่ การมาเกิดซ้ำซากหลายครั้งหลายหนยังมีอยู่ยังละไม่ได้ต้องไม่มีไม่มีความรักไม่มีความชังอยู่ในสิ่งเหล่านั้นคำว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไร คือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลมกลิ่นดิ้นริ้ ล, ลกายถูกต้องสัมผัสต้องวางกร็ทบปับวางเลยวางความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองวางอะไรวางความยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายว่านี่ตัวเราตัวของเราให้วาง ทำยังไรเราถึงจะวางได้ก็รู้เข้าไปถึงใจมันใจมันยึดอะไรมันยึดสุขมันยึดทุกสองอย่า ง, งนั้นน่ะมันยึดสุกยึดทุกมันยังติดอยู่มันยังหลงอยู่มันยังเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ วางทั้งหมดสุขก็ให้วางทุกข์ก็ให้วางพระอรหันต์ท่านที่บอว่าอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์สุขทุกข์เข้าไปถึงจิตของพระอรหันต์ไม่ได้โลคโกรธหลงก็เข้าไปถึงจิตพระอรหันต์ไม่ได้ความยินดีความไม่ยินดีก็ไม่เข้าไปถึงจิตของพระอรหันต์ได้ ทุกคนเนี่ยแหละถ้าตั้งเจปฏิบัติทำไมจะไม่ถึงมันต้องถึงทุกคนมันต้องละได้ทุกคนมันต้องเป็นพระอรหันต์ได้ในชาติปัจจุบันนี้ถ้าเราหัดปล่อยหัดวางได้จิตของเราก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเป็นหนึ่ง มียานปัญญาเกิดขึ้นสามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์พองใสเต็มเปี่ยมหรือมากไม่ไม่สามารถครณนานับได้มันบริสุทธิ์มันพองใสมันละเอียดทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดเลย มันไม่สูงคำสอนพทธเจ้าแต่เราไม่เห็นทำไมจึงไม่เห็นเพราะการฝึกของเราบรน้อยการฝึกสมาธิของเราบรน้อยถ้าฝึกบ่อย จนชาวนิชานานมันเอาไปพิจารณาเรื่องไหนมันก็วางได้หมดอะไรเกิดขึ้นสติตั้งปับ๊บทันทีเลยวางได้ทันทีความทุกข์ความโศกความเกิดแก่เก็บตายอะไรต่างๆมันวางได้มดมันเห็นชัดตามความเป็นจริง มันก็ไม่ยึดไม่ถือท่านอีกถ้ายัางยึดดังถืออยู่ยังสำคัญมั่นหมายอยู่การเกิดในภพน้อยภพใหญ่ของเรายัางมีอีกอยู่แต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราก็ เ, เรียกว่ า, วา ม, มันวางได้มันวางได้แล้วมันจะเป็นยงไง จิตของเราก็เป็นผ่องใสจิตผ่องใสจิตบริสุทธิ์จิตพระอรหันต์เป็นจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากความโลภ บ, บริสุทธิ์จากความโกรธบริสุทธิ์จากความหลงคำว่าหลงเข้าใจยากหน่อย หลงก็คือความไม่รู้ตามเป็นจริงนะคือไม่รู้ความจริงของมันเรียกว่าหลงเรายังไม่รู้เราไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทางพ้นทุกข์ ไม่รู้ความเกิดความแก่ความเก็บความตายว่าเป็นของเที่ยงความเกิดความแก่ความเก็บ ค, ค, ค, ค, ค, ความตายนี่มันให้เราเป็นทุกข์มานับพบนับชาติไม่ทัวนแล้วเกิดกี่พบกี่ชาติ เราก็เห็นทุกอย่างแหละเห็นอะไเห็นความเกิดความแก่ความเกิดความตายเนี่ยเห็นอย่างนี้ตลอดเจออยู่ตลอดแต่ทําไมเราถึงไม่เบือ่อไม่นายไม่ทิ้งไม่วางก็เพราะเราไม่ได้ฟังคําของนปาปราชบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เราไม่ได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงท่องเที่ยวเที่ยวทุกเที่ยวแก่เที่ยวเกิดเที่ยวเก็บเที่ยวตายอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเกิดตายนับกับนับกันไม่ท้วนเราก็ไม่เข็ดไม่หลับ เราก็ยังว่ามันดีอยู่อยากเกิดเป็นคนอีกนี่แหละมันถึงทุกข์ไม่รู้จักจบเมื่อทุกข์ไม่รู้จักจบเราก็ไม่เห็นสุขในพระนิพพานเห็นไหมทุกข์สุขมันอยู่ที่ไหน อยู่ที่ตัวของเรานี่อยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราเนี่ยสูบทุกข์แล้วทำไมเราละไม่ได้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วเราไม่ได้ฟังคำของนักป่าบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเราไม่ได้ฟังได้ยินได้ฟังอยู่แต่ไม่เอามาปฏิบัต เมื่อไม่เอามาปฏิบัติมันก็ไม่หลุดไม่พ้นหนีไปไม่รอดต้องเอามาปฏิบัติเช่นอย่างสมาธิฝึกให้มันได้ที่ทำให้มันบ่อยเข้าทำให้มันมากพาวิตาพาหุรีกรต า, าทาให้มากจเจริญให้มาก ภิญยายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทของทุกทั้งปวงนะมันอยู่ที่ไหนละสิเหล่าน้น่ะมันอยู่ที่ตัวของเราไม่ใช่หรือพระนิพพานเราอะอยู่บนฟ้าบน เหนือสวรรค์เหนือพอมโลกขึ้นไปอย่างนั้นไงงี้อันนั้นไม่เห็นความพู้ไม่เห็นความจริงพูดอย่างนั้นลหละพูดไม่เห็นความจริงพูดว่าสวรรค์พมโลกเหนือสวรรค์เหนือพอมโลกขึ้นไปก็คือพระนิพพานนัไม่ใช่ นิพาณน่ะมันอยู่ที่เราไม่ยึดถือทันเองพอเราไม่ยึดถือปั๊บเราเห็นพันิพานทันทีถ้าเรายังยึดถืออยู่มันก็ไม่เห็นพันิพานยึดถืออะไรอะยึดถือตัวถือตนของเราเนี่ยแหละ ยังไม่เห็นแจ้งชัดในใจของเรามันก็ละไม่ได้มันวางไม่ได้มันทิ้งไม่ได้มันสลัดออกจากใจไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ร่ำไปร่ำไปแต่ถ้าเราออกจากใจเราได้แล้วโอ้ยมันเห็นสุขเห็นสบายอันนะั ให้พิจนาให้ดีอย่าท้ออย่าถอยอย่าหมดกำลังใจเพราะเราเกิดมาเนี่เรามาพบของดีแล้วของดีในที่นี้คืออะไรคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเรามาเห็นธรรมเห็นวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วแม้พระพุทธองค์จะปรินิพานไปแล้วก็จริง แต่คําสอนของพระองค์ยังอยู่พระองค์ไม่ได้ตั้งพระมหากรรณาปะไม่ได้ตั้งพระองค์นั้นองค์นี้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ว่าทำวินยัยใดทำใดวินยัยใดที่เราตถาคตแสดงแล้วทำนั้นแหละวินัยนั้นแหละจะเป็นศาสดา ของพวกเธอทั้งหลายทำวินัยเด็กจะเป็นศาสดาเรามาเห็นธรรมแล้วเรามารู้จักแล้วเรารู้จักธรรมเรารู้จักวินัยเรารู้จักคำสอนพุทธเจ้าแล้วแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพานไปจากพวกเราแล้วก็ตามแต่ธรรมะ วินัยของพระพุทธเจ้าพราองค์แม่เดาไปด้วยยังมีอยู่ยังมีอยู่ในโลกนี้อยู่ทำก็ดีวินัยก็ดียังมีอยู่ในโลกนี้อยู่ยพระไตรปิฎก ค, คือคำสอนของพระองค์ก็ยังสมบูรณ์อยู่ยังถูกต้องอยู่ สามาปฏิบัติตามได้อยู่เราก็มาปฏิบัติฝึกหัดให้เกิดให้มีขึ้นสมาธิไม่มีก็ทําให้มันมีขึ้นปัญญาไม่มีก็ทําให้ปัญญามันมีขึ้นอเอาอย่างนั้นเนี่ย สมาธิไม่มีก็ฝึกหัดให้มันเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อสมาธิดีปัญญ า, าก็เจีมใสขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าแต่รู้ก็ไม่ได้นั่งอยู่ใต้ต้นโพล้วก็รู้ขึ้นมานะพระองค์ก็ปฏิบัติปฏิบัติอะไรกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกสมาธิของพระองค์ดี ดีมากดีที่สุดโน้มน้อมจิตที่เป็นสมาธิไปพิจารณาพิจารณาถึงตัวพ่ อ, อก็เห็นอริยสัจสี่ชัดเจ น, น, นเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับทุกเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกรู้ชัดขึ้นมาเลย รู้แจ้งแทงตลอดเลยเป็นสัพพันยูพระพุทธเจ้าเป็นสัพพันยูเป็นผู้รู้สัพพันยูนะเป็นผู้รู้ผู้เห็นด้วยพระ อ, องค์เองอนนพระพุทธเจ้าจึงได้ประกาศพระ อ, องค์ว่า เขาเป็นพุทเจาเป็นผู้รู้ก่อนคนอื่นทั้งหมดไม่ว่าเรื่องใดๆ ไ, ไม่มีข้อสงสัยเลย ในธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วไม่มีข้อสงสัยถูกต้องมดถ้ายังมีข้อสงสัยอยู่ยังมีมีความไม่เก็แจ้งอยู่มันก็ไม่ใช่สัพพัญญูสิไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะละสิผู้ตัดสรู้ชอบเองด้วยพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์รู้ พ่อองค์เห็นพ่อองค์แกมแจ้งในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องใดทั้งนั้นพ่อองค์รู้ชัดหมดไม่ว่าเรื่องทำไม่ว่าเรื่องวิจัยไม่ว่าเรื่อง อะไรต่างๆทั้งหมดทั้งนั้นแ่ะพระองค์รู้ชัดรู้จริงเห็นจริงทำคำสอนพระเจ้าก็เป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ไม่ได้ไปลักโฉกขโมยจากคนอื่นมาแสดงพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระองค์เองจึงได้นำมาแสดง ชี้แจงอธิบายขยายความให้พุทธบริษัทหรือให้ประชาชนหรือสัตว์โลกที่เรียกว่ามนุษย์เ ท, ทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสถาเทวะมนุษย์สาหนังเป็นศัตสดาของเท ว, วดาและมนุษย์พระพุทธเจ้าส่งรูส่งหินส่งแสดงธรรมเพื่อ ให้รู้ให้เห็นตามเราปฏิบัติตามขนาดนี้เดี๋ยวนี้เราก็เห็นสุขอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวนี้เหมือนกันเห็นในใจนั่นแจใจเราสงบเราก็เห็นใจเรารู้แจ้งเห็นจริงในธาตุขันตัวตนพ่อก็สอนไม้หมดแหละ ตอน้หมดให้เราทำให้เห็นแจ้งเห็นจริงขึ้นมานนทำเข้าไปอย่าทออย่าถอยอย่าหมดกำลังใจตายเป็นตายยังเป็นยัง อย่างไงยังไงเราก็ต้องตายจากโลกนี้อยู่ยดีนั่นเองพอเรามีเกิดแล้วเราต้องมีตายเนี่ยรู้เพียงเท่านี้ก็สามารถรู้เห็นธรรมของพุทธเจ้าได้เห็นว่าเราเกิดแล้วจะต้องแก่เก็บตายเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้น ที่ไม่ตายไม่มีเลยแม้ต้นไม้ภูเขาก็ต้องตายไปเหมือนกันสลายลงเหมือนกันวันนี้มันยังไม่สลายมันก็อีกพันปีล้านปีหลายร้อยล้าน ป, านานานปีเป็นอสงไข่เป็นห ล, ลายอสงไข่ห ล, ลายกับห ล, ลายอสงขไข่มันก็สลายไปหมด นี่แหละเพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นไรเพราะคำสอนของพระองค์ยังดีอยู่เราจงปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามถูกต้องแล้วทำไมมันจะไม่รู้ทำไมมันจะไม่เห็นทำไมมันจะไม่เกิด มาเกิดผลเกิดพระนิพพานขึ้นมาในใจพระนิพพานนะ่ะมันเลอยู่บนฟ้าบนสวรรค์หรือพร ม, มโลกมันอยู่ที่ใจที่ปล่อยวางได้นี่เองใจที่ไม่หลงเข้าไปยึดถือตัวตนนี่เองมายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็ถึงพระนิพพานนะ่ะถ้าไม่ยึดถือละ มันก็วางวางหมดล้วก็เออเป็นโซดาเป็นสกิทาคาเป็นอนาคาเป็นอรหันวางได้หมดมันก็เป็นพ้าอรหันถ้าวางไม่หมดยังยึดยังถืออยู่มันก็เป็นพ้าอรหันไม่ได้ถึงแม้คนจะมาชมว่าอุย้ยท่านเป็นผ้าอรหันมันก็ไม่ใช่พ้าอรหันเออเป็นผ้าอรหันไม่ได้ พระอรหันต์ไม่อยู่ที่คำชมคำติของคนมันอยู่ที่กิตบริสุทธ์ต่างหากิจบริสุทธ์ก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นพระอรหันต์ท่านถอว่าวิสุทธิเทพเนี่ยพรนะอรหันต์น่ะเป็นวิสุทธิเทพพอได้บรรลุอรหันต์ปั๊บเท่านั้นแหละเป็นวิสุทธิเทพเลย ใครเป็นคนเป็นนะ่ะใครเป็นคนถึงลนะ่ะเพราะเราเองถึงแล้วปล่อยแล้ววางแล้วมายึดมั่นสำคัญหมายแล้วมันก็สบายทัดิยืนอยู่มันก็สบายนั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายกินอยู่ดื่มอยู่มันก็สบาย เพราะอะไรจรึงสบายก็เพราะใจมันสบายแล้วใจมันละได้แล้วใจมันวางได้แล้วใจไม่ยึดถือแล้วใจบริสุทธิ์เต็มที่แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นคือความเห็นกิ่งแจ้งภัยจากนั้นเองมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นหนึ่งสอนให้ละความชั่วทางกายทางวาจาทางใจสองสอนให้ทำความดีทางกายทางวาจาทางใจสามทำใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใส จากความโลภความโกรธความหลงถ้าเรามีสมาธิแล้วปัญญาเราก็เกิดปัญญาเกิดก็ชำระกิเลสได้เหมือนความมืดเรามองไม่เห็นอะไรเลยแต่พอมีแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดมันก็หายไป พระอรหันต์ทุกใจไม่มีเลยให้สังเกตได้ใครถึงแล้วให้สังเกต ด, ดูทุกใจมันไม่มีมันมีแต่ทุกกายทุกกายมันมีอยู่แต่ทุกใจมันไม่มี นี่แหละทำไมจึงไม่มีก็เพราะละอุปท า, านขันห้าได้หมดแล้วรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆละได้หมดแล้วไม่ยึดไม่ถือแล้วละแล้วเพิ่อถอนออกไปจากใจได้แล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นยาประมาท เราเกิดมาในเป็นชาติที่ดีที่สุดสำหรับการเกิดของเราเราได้มาเห็นธรรมของพระเจ้าเราได้มาปฏิบัติธรรมของพรธเจ้าถ้าทาถูกต้องเราหนีทุกได้ถ้าทําไม่ถูกก็ยังหนีไม่ได้ถ้าทําถูกต้องเราหนีทุกได้เลยหนีทุกได้ชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของเรา ชาติที่สองที่สามต่อไปอีกก็ไม่มีมีชาตินี้เป็นชาติตุดท้ายเป็นชาติที่ยุติกันแล้วเรื่องการเกิดเราได้ชัยชนะแล้วแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นว่าเราได้ชัยชนะแล้วตราบใดเรายังไม่ตายนี่มันต้องรบกันไปอย่างงี้แ่ะต่อสู้กันไปอย่างนี้แหละฟาฟันอุปศรรักน้อยใหญ่ไปอยู่อย่างนี้แหละ จิตเราก็บริสุทธิ์ขึ้นไปบริสุทธิ์ขึ้นไปบริสุทธิ์ขึ้นไปจนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยเจี่แจ้งชัดเจนหมดในถาดในขันในตัวในตุลละได้หมดวางได้หมดนี่แหละจึงจะเป็นพระอารหันต์ได้ ้าละไม่ได้วางไม่ได้เป็นพาาระอรหันยังไม่ได้ทาละได้วางได้หมดนั่นแหละทุกมันไม่มีแล้วทางใจเพราะมันวางหมดเลยมันละได้หมดแล้วบางคนอาจจะถามว่าหลงพ่อละได้หรื อ, อยังปัจจตังเนี่ย ขอตอบประจตผู้รู้ผู้เห็นเองเห็นเองใครละได้หรือไม่ได้เห็นอยู่ในใจของเจ้าของนั่นแหละประจตัมันรู้อยู่ในใจของเจ้าของว่าเราละได้หรือยังหรือเรายัางละไม่ได้ละอะไรอะละความเกิดความแก่ความเกี่ยค ว, ย ค, วยความตาย ละอุปทานขันห้ารูปเฟธนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวตนของเรานี่แหละเราระละได้อย่างถ้าเราละยังไม่ได้ยังสําคัญมั่นหมายอยู่ยังยึดติดอยู่ยังหลงอยู่ยังเพลิดเพลินอยู่ก็ยังก็ยังไม่ถึงที่สุดแต่ถ้าละได้หมดสิ้นไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจเลยนั่นแหละ เรจะตังะไม่ให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าเราได้ถึงภูมินชั้น น, นี้เรารู้ของเราเองเลยว่าเราถึงหรือไม่ถึงเราละได้หรือละไม่ได้เรารู้จักหมดเหมือนแกงเนี่ยมันอร่อยหรือไม่อร่อยเรารู้ไม่ว่าแกงที่นิดไหน ลิ้นา แ, แตะปับ๊บเราก็รู้เลยอ๋ออันนี้มีรถอย่างนี้จะอธิบายยังไงจะบอกอยังไงมันก็ต้องให้วชิมดูเองกินเองนั่นแหละมันถึงจะรู้ชัดว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องอธิบายเลยวันนี้ไม่ต้องชี้แจงว่ามันเป็นอย่างนั้นรถมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องอธิบายเลย มันรู้มันเห็นอยู่ในใจของเราหนิมันวางได้หรือไม่ได้มันรู้ชัดลงไปเลยนั่นแหละไม่ว่าสิ่งไห น, นมันรู้ได้เห็นได้วางได้หมดเป็นนิสุทธิเทพทุกท่านทุกคนทั้งหมดนี่นแหละมีพระนิพพานเป็นที่หวงัง วางพันิพา น, านคือความสุขอันสูงสุดที่เหล่านิพานังบะลานังสุขขังพระนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งจิตเราบริสุทธันแหละเดี๋ยวพอเข้าถึงพระนิพานเนี่ยจิตถ้ายังไม่บริสุทธิ์เข้าถึงพระนิพานไม่ได้นี่แหละเทศน์ให้ฟังอย่างนี้ให้พิจารณา เอาประโยชน์จากธรรมะที่เทศนาแสดงไว้นี้ไปวิเคราะห์ตัวเองว่าเราปฏิบัติไปถึงไหนจใจเราผ่องใสบริสุทธิ์เต็มที่หรื อ, อยังหรือเรายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่เราก็จะรู้ขึ้นมาในใจของเรา โกหกคนอื่นโกหกได้แต่โกหกใจของเราโกหกไม่ได้นี่แหละให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปอย่าท้อถอย